มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินแทปัญหาเมนตกะปัญหาปฐมวัรตรตถาคตศะสอุตริการณียาภาวะปัญหาที่เก้าถามว่าคำก่อนว่าพระพุทธเจ้าได้ทำกิจทั้งปวงเสร็จสิ้นแล้วที่ควงไม้โพ เหตุไรคําหลังว่าเมื่อตรัสรู้แล้วได้ฌานสิ้นไตรามาสสามเดือนอีกเล่าราชาสมเด็จพระบรมาตราิย์นรินมิลินทราชมีพระราชองค์การประพาธ ถ, ถามปัญหาต่อไปว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวให้วิษฐานออกซึ่งคาสองประการนี้คําหนึ่งว่า สมเด็จพระพิจิตรมานมุนีกระทําซึ่งกิจทั้งปวงให้สําเร็จแล้วที่ควงไม้พระมหาโพธิ์เป็นอันเสร็จสิ้นกิจที่ต้องทําหรือต้องอบรมยิ่งขึ้นไปไม่มีแก่พระองค์อีกคําหนึ่งว่าสมเด็จพระมุนีหน้าเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แก่พระปรมาพิเศษสัมโพธิญานแล้วเข้าสู่ฌานสิ้นไตรามาสสามเดือนดังนี้ โยมพิเคราะห์ดูเห็นว่าถ้าพระสัพพันธ์อยู่กระทำกิจทั้งปวงให้สาเร็จแล้วที่ควงไม้มหาโพเป็นอันเสร็จสิ้นไม่มีกิจที่จะต้องทำและต้องอบรมยิ่งขึ้นไปอีกคำที่ว่าพระองค์เข้าฌานสิ้นไตรมาสสามเดือนก็จะผิดเป็นมิจฉาถ้าเชื่อว่าพระองค์เข้าฌานสิ้นไตรมาสสามเดือนคาที่ว่า พระองค์กระทากิจทั้งปวงให้สำเร็จแล้วที่ควงไม้มหาโพเป็นอันเสร็จสิ้นก็จะผิดคำทั้งสองนั้นเป็นปฏิปักษ์แย้งกันอยู่ชะนี้พันเตนาคาเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเหมือนหนึ่งว่าคนที่มีพยาธิป่วยไข้ก็จำเป็นมีความต้องการด้วยยาเพื่อรักษาโรคบำบัดให้หายคลี่คลายไป คนที่ไม่ป่วยไข้จะต้องการอะไรด้วยยูกยาอันหนึง่งคนที่หิวจึงต้องการรับประทานโภชนะของเคี้ยวของกัดคนที่ไม่หิวหาต้องการรับประทานโภชนาหารไหมยะถาอันนี้มีอุปมาฉันใดเอวเมวะโขสมเด็จพระบรมโลกนานาจเจ้าก็มีอุปมาฉันนั้น ถ้าพระองค์กระทากิจให้เสร็จสิ้นแล้วที่ควงไม้มาหาโพจริงทำไมพระองค์จึงต้องเข้าฌานอีกเล่าายังปันโโหปริศนานี้เป็นอุพโตโกติตวานุ ป, ปตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้โยมฟังในการบัดนี้พระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษผู้ประเสริฐคำที่ว่าสมเด็จพระโรกุตามาจารย์กระทํากิจทั้งปวงให้เสร็จสิ้นที่ควงไม้พระมหาโพธิ์พระองค์ไม่มีกิจที่ต้องทําและต้องอบรมอีกนั้นก็จริงคําที่ว่าพระสัพพันอยู่เข้าฌานสิ้นไตรมาสสามเดือนนั้นก็จริงจะผิดหาไม่ได้ก็แต่ว่าอัลลัคนะฌานนี้มีคุณยิ่งวิเศษหนักหนา สัพเพตถาคตาสมเด็จพระบรมโลกานาเจ้าแต่ก่อนทั้งหลายนั้นสัพพัญยุตังปัตตาครั้นได้สำเร็จแก่พระสันเพชรดาญานแล้วพระองค์มาทรงละลึกถึงคุณแห่งชานนั้นว่ามีอุปการะเป็นอันมากนักหนาก็เข้าที่ชมชานกเกษมสารแสนสุขทุกพระองค์ซืบซืบกันมามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษผู้มิ่งมงคลมหิสราธิบดีเหตุฉนี้สมเด็จพระชินท์สีสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสัมพูทิยานสาเร็จในควงไม้พระสีมหาโภปราศจากโทษทางอากุศลจึงเข้าชมชานอยู่ท่วนไตรามาสให้เหมือนกันคำอันนี้ไม่ผิดจะเปรียบให้มหาบาพิษฟังมหาราช ขอถวายพระพรเปรียบปานดุจบุรุษผู้หนึ่งได้รับพระราชทานพอรอันอุดมซึ่งสมเด็จบรมกษัตริย์ธิราชประสาทให้ได้ลาบสักการะแต่สำนักบรมกษัตริย์นั้นแล้วอนุสสารโตบุรุษผู้นั้นก็ระลึกถึงพระเดชพระคุณที่ประทานรางวัลแก่อัตมาอป า, ปาราปรังบุรุษผู้นั้น ก็เข้ายัางที่เฝ้านั้นหนึ่งเนองไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสแก่พระสัพพัญยุตยานแล้วก็ระลึกถึงคุณอุปการะแห่งฌานทั้งหลายนั้นปฏิสันลีน่นางเสวันติพระองค์ก็ชมฌานอีกเล่าเหมือนบุรุษอันได้รับพระราชทานซึ่งรางวัลแต่สำนักบรมกาสตราธิปดีคิดแต่ที่ว่าจะกตะเวทีแทนคุณนั้น ก็มันเข้าไปเฝ้าสมเด็จบรมกษัตราที่ราชไม่ขาดวันอันหนึ่งจงทรงพระสวนาการฟังอุปมาใหม่เล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าเปรียบดุดบุรุดผู้หนึ่งเล่าอาตุโรร้อนไปด้วยพยาธิโรคายายีไม่มีสุขทุกขิขโตเจ็บปวดนี้เหลือกำลังนักหนา พิงสกังอุปเสวิตว่าคนที่เป็นมโรคนั้นก็มารักษาอยู่ที่แพทย์แพทย์ก็พยาบาลมาจนมโรคาค่อยคลายหายแล้วบุรุษผู้นั้นก็อำลามาจากเคหาแพทย์นั้นเมื่อบุรุษผู้นั้นคิดถึงคุณแพทย์ที่พยาบาลก็มาสู่สถานแห่งแพทย์นั้นเนืองนืองยะถามีขรุวนาฉันใดพอพิทพระราชสมผาน สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าทั้งหลายสัพพัญยุตังปัตโตได้สำเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานแล้วระลึกถึงคูณนูปาการแห่งชาญจึงซ่องเสพซึ่งชาญไปอัตถวีสติโขคูณานิบพิทพระราชสมภารคุณแห่งชาญ น, นี้มีถึง28ประการสมเด็จพระอนาวรณญยานเจ้าทั้งหลายที่ได้ตรัสมา พระองค์หักพระหานพลานกิเลสบรรลุแก่พระสันเพชรดาญาณแล้วทรงพระอนุสรณาการเห็นพระคุณยี่สิบประการแห่งชานั้นเสวันติพระองค์ก็เข้าฌานทรงเสวยสุขกเกษมสารอันว่าคุณยี่สิบประการนั้นกะตมาเป็นดังรือเล่ามหาราชะขอถวายพระพร จงทรงพระสวนาการเถิดอัตมาจะวิสัชนาให้ฟังอัตานังรักขติดูกะระบพิธเป็นที่จะอภิบาลรักษาอัตมานั้นประการหนึ่งอายุงเทติให้ซึ่งทีคายุประการหนึ่งพระลังเทติจะให้มีกำลังประการหนึ่งวัชชังปิทัตติปิดกั้นเสียซึ่งโทษประการหนึ่ง อยสังวิโนเทติจะบรรเทาเสียไม่ให้เปล่าจากยศประการหนึ่งจะสมุปะเนติจะนำมาซึ่งยศประการหนึ่งอระติงนาสยติจะให้ความไม่ยินดีฉิบหายไปประการหนึ่งระติงอุ ป, ปาเทติจะให้ความยินดีเกิดขึ้นประการหนึ่งพยังอปะเนติจะนำไปเสียซึ่งภัยประการหนึ่งเวสารชชังกโรติ จะกระทําให้แกล้วกล้าประการหนึ่งโกสัจฉะมะปเนติจะนําเสียซึ่งความเกียรติคร้านประการหนึ่งวิริยะมะพิสัชชาเนติจะให้เกิดความเพียรประการหนึ่งราคะมะปเนติจะนําเสียซึ่งราคะประการหนึ่งโทสะมะปเนติจะนําเสียซึ่งโทสะประการหนึ่งโมหังหเนติกําจัดเสียซึ่งโมหะประการหนึ่ง มานังฮเนติข้าเสียซึ่งมานะประการหนึ่งสวิตกังพัชเชติจะกําจัดเสียซึ่งวิตกประการหนึ่งจิตเตกักขะตังกรโรติจะกระทําจิตเป็นเอกักขะตาประการหนึ่งจิตตังเสนหิยติจะให้จิตรักในที่อันสงัดประการหนึ่งหาสังชนะยติจะให้บังเกิดความปรีดาประการหนึ่งครุกังกรโรติ จะกระทําซึ่งเคารพประการหนึ่งลาพังนิพพติยติจะให้บังเกิดล่าประการหนึ่งมณะปิยังกรโรติจะกระทําให้ชอบใจประการหนึ่งขันติงปาเลติจะให้รักษาไว้ซึ่งขันตีประการหนึ่งสังขารานังอาสวังทางเสติจะกำจัดเสียซึ่งอาสวะสังขารอันค่องอยู่ประการหนึ่งภาวะปฏิสันทิงอุคาเตติ จะมีให้บังเกิดต่อไปในภพประการหนึ่งสันนังสามัญญังเทติจะให้ถึงซึ่งผลแห่งสมณะประการหนึ่งสิริเป็นคุณ28ประการด้วยกันมหาราชะดูราณะบพิทผู้ทรงคุณอันประเสริฐตถาคโตสมเด็จพระทศพลยานระลึกถึงคุณ28ประการแห่งชานั้นดังนี้แล้วพระองค์จึงเข้าที่ชมชาน บรมบาปพิจงเข้าพระทัยเถิดเทโูครั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนเมื่อพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาแก้ไขในคุณชาน2ี่ประการจบลงแล้วจึงถวายพระผ่อว่ามหาราชะดูรานะบาพิธพระราชสมภารตถาคตาพระตถาคตทศพลยานเจ้าทั้งหลายแต่การปางก่อนเสวันติ ย่อมส่องเสพชมชานด้วยเหตุสีประการเหตุสีประการนั้นอย่างไรขอถวายพระพรสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนนั้นปฏิสันลินางเสวันติซ่องเสพชมชานวิหาระพาสุกายะเพื่อจะให้เป็นสุขสบายประการหนึ่งอนวัชคุณพะพหุลตายะ ด้วยภาวะมากแห่งคุณหาโทษไม่ได้ประการหนึ่งอวสัยสอริยาุทธิตาเหตุภาวะจะได้เจริญขึ้นแห่งพระอริยมรรคเหลือลงประการหนึ่งสัพพุทธานังถูติ่งวันนิตุงประสัตถโตเหตุภาวะเป็นที่สรนเสริญแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงประการหนึ่งเสีริเป็นเหตุสี่ประการด้วยกันนี่แหละบพิษพระราชาสมภาร ใช่พระตถาคตทศพรรยาเจ้าทั้งหลายจะขวนขวายชมชานเพื่อจะกระทากิจอันยังไม่สาเร็จนั้นหาไม่ได้สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาสศาสดาจารย์เจ้าทั้งหลายขวนขวายชมชานดังนี้ด้วยเหตุที่พระองค์เห็นคุณเห็นประโยชน์ดังถวายพระพรมาชะนี้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดี ได้สวนาการฟังพระนาคเกษนวิสัชนาดังนี้ก็มิได้สงสัยมีพระไทยปราโมทจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าสัทุสะพระผู้เป็นเจ้าโปรดนี้โยมไม่มีวิมติสงสัยสัมปติฉามิโยมจะรับไว้ซึ่งถ้อยคําของพระผู้เป็นเจ้าก็มีด้วยประการดังนี้ ตถาคตสัตอุตริกรณียาภาวะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเพียงนี้